พุชชาวิสักชนานักกับท่านหลวงตา น, งนาลกับขีนาลยูตอนรู้แล้วลักรู้แล้ววาตอนที่หนึ่งทีงงงท น, น, าาทนี้แสงแสงนี่ก็ดีไปสอนที่บุรุษปุราตมีภรรยาผึกษาวคนนยังไม่ได้ฟังมั้ง ปล่อยอวกไวันเนี้ไม่ตอนเลบ่ายหรือตอขงทงนานนั<ม>้นไอ้เออมันมันต่อจากท่านนั้นต่อต่อต่อต่อจากท่านนั้นเป็นภรรยาผู้อาสาแล้วก็เข้ามาเดินเข้ามาในสิ้นหมดเลยไม่มีแรงบอกเป็นอะไรบอกว่าหมอบอกว่าเป็นโรคโรคเดี่ยวพุ่มพวงอ่ะโรคเดียวพุ่มพวงของังอเออ เราเลยเรียกมาดูว่าไม่ใช่อบอกไปโลกภูมิพลตัวจันเราเดี๋ยวพวกคนตัวจันดูไม่ใช่ไม้ได้เป็นนะบอมสามีเขาจะมีองสาพยายามอธิบายหมอบอกไปหาหมอมาแล้วหมบอกว่าเป็นแต่โชคดีนะมันไม่ไปอะไรหรอกมันไม่ไปให้เคโมไปฉายแสงไปอะไรเงี้ยร่างกายมยังไม่เสียไม่สูญเสีย โชคดีเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งจะหมอเพื่อจะบอกไม่ไม่ได้เกจเดือนมันต่ํามากมิตรข่าวแดงต่ำมากต่ําสุดๆเลยเรากวไม่ใช่ไม่ดูแล้วไม่เป็นเดี๋ยวมานั่งนี่ทีเดี๋ยวปฏิบัติตามเราบอกเนี่ยไอทำสมาธิเลยแล้วเราดูเห็นอะไรแล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางให้ปล่อยที่ป่อยที่ปล่อยที่โอ้ยปล่อยปล่อยปล่อย ไปอยู่ในซีดีเนไปฟังมีมีหลายละเอียดอยูตอนแต่ตอนที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยลูกออกมาเนี่ยหน้าแดงไปลุกตำหรึงเลยหน้าแดงไปลุกตำหรึ่งเลยพอดีอที่ก็ตัดต่อเนี่ยเขาเขาตัดตรงที่ทิ้งไปซะที่ที่ที่คุยออกมาว่าหน้าแดงไปลุกตำหรึงไม่มีคำเนี้ยเขาก็ไม่เห็นว่าไม่เห็นภาพ กันทิงตัว อ, ออกมานี่หน้าแดงวิรุตําลึงหลายคนก็เห็นอุ้ยหน้าเขาแดงวิรุตตมลึงเลือดสาดฉีดหน้าแดงมากเลยอะแบบแดงขนาดเหมือนแเป็นคนกิน ผ, ผู้หญิงที่กินเบียร์กินเหล้าเลยอแล้วเลือดมันฉีดแดงขนาดนั้นเลยอไม่น่าเชื่อจับซีดมากเลยหน้าแดงแล้วบอกอู้อย่างนี้ป่วยได้ไงอคนป่วยอะไรเนี่ยพอออกจากสมาธิมาหน้าแดงวิรุตตมลึงเหมือนคนกินเหล้ากินเบียร์เลย นียอันตรายมากเลยคือเขาร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเขาเก็บดเลดือดต่ำจริงๆเขาก็ต้องวิจัยอย่างนั้นเพราวะว่าหาสาเหตุไม่เจอแต่เขาไม่รู้สาเหตุหมอกขาไม่รู้สาเหตุทีแท้จริงเราดูปุ๊บรู้ว่าเนี่ยเขาไปจับช่องว่างไว้แสดงว่าจับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคือข้ามภพข้ามชาติมาเคยปฏิบัติธรรมมา แล้วก็ใครพูดยังไงก็ไม่ฟังเขาจะไปจับเลยตรงใจว่างๆใจว่างๆบอกให้ปล่อยวางก็ไม่เอาตรงเนี้ยพอมาเกิดใหม่มันก็เลยไปจับตรงนี้อีกไปจับตรงนี้ไอ้ความว่างเพราะเด็กพอจับแล้วเด็กปุ๊บมันไปจับเข้าช่องว่างเขามันก็เลยจิตมันไม่ทํางานร่างกายก็หมดแรงแล้วก็เนี่ยพอจับได้อยู่จริงๆจับอยู่บ้างไม่อยู่บ้างพอพอพออายุมากขึ้นเรื่อยเื่อเริ่ม เป็นสาวมากขึ้นเก็ จ, จับอยู่เลยตอนนี้ก็จับอยู่พวกมือเลยรมาใจมีเลยว่างๆอยูเรื่อยตลอดเลยตอนนี้ตอนเนี้เกณฑ์เรื่องต่ำเลยก็จับอยู่ตายตายเลยนะตายหลายคนอย่างเงี้ยตายเลยร่างกายหมดแรงก็ตายไปแล้วก็จะมีโรคแตซกซ้อนเนี่ยจะกลายเป็นแบบว่าลรพุ่มพวงดวงจันทร์บ้าแล้วก็ที่ที่เราไปช่วยออกมาจากโรงพยาบาลที่เป็นหมอด้วยนั่นก็จั บ, จ บ, บอย่างเงี้ยจับว่างอย่างเงี้ยจนกระทั่งไอสารเคมีในสมองไม่หลัง หมอนับผ่าสมองอีกลายหนึ่งเป็นผู้จัดการลงปูนหมอนับถาตัดเพราะว่าสานเก่งมีนในตับไม่หลงังหมอหน้ผาผาตัดทับเลยไปจับเหมือนการจับช่องว่างเนี่ยแล้วก็เนี่ย ม, มาหมอเนี่ยหมอเฟอร์เซนที่มาจับจับช่องว่างอยู่เหมือนกันเนี่ยก็แย่เลยเนี่ยก็บอกว่าบอกว่าเชื้อโรกกินตับแล้ว แต่จริงเหล่านี้พอมาแก้บอกว่าให้ให้รู้ต่อจากที่ไปจับความรู้สึกว่างๆอะรอดกันหมดเลยทุกคนรอดกันหมดเลยยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเนี้ยน่ากลัวมากเลยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ฝึกจิตนะคือเขาเป็นมาข้ามภพข้ามชาติไอ้ไอ้จับว่างๆแล้วนี่ไม่ยอมปล่อยเนีย ไปไปพอใจมันว่างๆแล้วไปพอใจสบายๆใจสบายๆว่างๆสบายๆว่างๆไม่เห็นอาการของจิตไม่เห็นความคิดเห็นอาการน้องจิตแล้วก็ปล่อยวางไปเลยแต่ตัวเราไม่เคลื่อนไหวแต่เห็นอาการน้องจิตไวๆตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่เห็นอาการนองจิตไหวๆนะมีแต่ใจว่างๆเบาๆท่องวันเนี่ยใกล้ตายแล้วนะใกล้ตายจริงๆมันต้องเห็นอาการของจิต เ, เห็นจิตมันคิดมันแสดงกิริยาการไหวๆไหวๆแต่ ไม่มีใจไปรองรับใช่แต่นี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือคือภรรยาของผู้ศรัทธาเช่นนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมานะแต่จับมาตั้งแต่เด็กเลยจับไออาการของใจเนี่ยมันเป็นมาข้ามภพข้ามชาติในชาติก่นกอนเปนะ็นปฏิบัติแปล ว, ว่านะแล้วเพราะว่าบัดนีชาตินี้ก็ไปจับอาการน้องใจเนี่ย ก็ก่อนมาก็รู้สึกว่าตัวเองฟุ้งอยู่กับเรื่องงานเรื่องอะไรเยอะนะครับรู้สึกถ้าถ้าจะมองดูดูจิตตัวเองนี่ก็เหมือนกับไม่ไม่ตกลงไปนะตกลงไปครั้งนี้พอมาม า, มาที่สถานที่นี้ก็อยู่สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า ดีขึ้นนะฮเหมือนกับว่าไอหมอกควันอะไรต่างๆในจิตใจมันก็เริ่มหายไปค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าผมดูถูกดูตัวเองถูกไหมครับถูกต้องทุกคนก็เหมือนกันทุกคนมันอาศัยสถานที่เหลือใอาสาครูบาอาจารย์ประกอบกันหรือเปล่าสองอย่างอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าได้เอ่า แบดมันเริ่มหมดแล้วมันได้ชาร์จขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยห็นจะเหมืนกักสนามเดินทางมาทําการแดดร้อนมาได้พบต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลมเกิดมาแล้วเงาขึ้นเนี่ยคือเหมือนก็ว่าได้ได้ช่วยขจัดไอเหมือนกับม่านไอพวกที่ว่าปกคุมจิตให้มันสว่างขึ้นนะครับใช่เปรียบเทียบเทียบอย่างนี้ถูกไหมฮะคือตอน ก่อนเข้ามามีแต่เรื่องโลกโลภยังไม่ให้ยังไม่ใหสนทนาธรรมทันทีก็ชวนคุยเรื่องสะพเพลาก่อนก็เป็นอย่างนี้นะเพราะว่ายังไม่พร้อมแเพราะว่าจิตแตพาะว่าทําให้พร้อมเพราะว่าพอไปอยู่โลภ โ, โลกเป็นโลกหมดเป็นโลกเป็นธรรมน้อยสติมันขาดพอสติมันขาดอยู่แล้วโรคสติขาดมันก็จะเป็นโลกไป ห, หมดมันไม่เป็นธรรมก็จะมีสติบ้าง ไม่รู้ตัวก็มีสติบ้างแต่ก็จะเพลินสติขาดเพ ล, ลินไปทางตาทางหูทางจมูกทางริมทางกายทางใจเพลินกับการทํางานเพลินกับการคิดเพลินกับการอวางแผนระบบงานแต่มันไม่ส <c oughs> ต, ติมั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้มีสติในความทำํำในความรู้สึกตัวอยู่เพฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็เลยแต่ละคนมันก็มีอารมณ์โลกมีเรื่อง อารมณ์ทกงครอบครัวติดมาด้วยอารมณ์ทางเรื่องโลกเรื่อ ง, องหน้าที่การงานติดมาด้วยพอได้คุยกระเพราสักพักหนึ่งมก็จะจางไ ป, ไปเรื่องนั้นก็จะจางไปเวลาพอพอคุยทําก็จะง่ายนะคุยทำเพราะว่าเรื่องโลกไอ้ที่มันกดทับบีบกั้นเหมือนที่ทีๆๆ่ที่บอกว่าที่เด่นบอกว่ามันเป็นหมอกอะไรมันถูกเปิดออกหมดอันนี้ก็ะเดือแต่อจิตที่เดิมเดิมจะแท้นกับกิริยากลางของจิต เวลาพอพูดทำที่ทำก็จะง่ายขึ้นโตไปไงต่อสงสัยว่าเออเวลาตอนอยู่ทางโลกหรืออยู่กรุงเทพเดียไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้แต่ว่าพ อ, อ, อวันนี้ที่ว่ามามาวัดตังคืนนะฮะพอพอเข้า ปากซอยเข้าเข้าทางในถนนแยกที่เข้าซอยวัดมาเนี่ยมันจะใจมันจะหดหู่อะมันเหมือนกับว่าเรามองว่ามันอีกหน่อยคือหมานถึงว่านี่คือเราจะอยู่อย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทายังไม่แน่ยังไม่แน่ใจสมมติเราจะมาขั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยไปรู้ว่ามันมันหดหูนี่มันจะมันดีหรือไม่ดีดรือว่ามันเหมือนกับมันมันมันมันมันนั่นของมันเองฮะมัน มันเห็นสภาพว่าความมืดความความเป็นธรรมชาติเป็นอะไรเหมือนกับว่าคล้ายๆว่ามันก็อันนี้คือความจริงอะไรไงไอที่เราเห็นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นความสว่างความอะไรของไฟของอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเป็นมันไม่ใช่ของจริงเลยนี่คือของจริงมันก็เหมือนกับว่าเราใจ ม, นใจ ม, น ม, ม, มนันใจมันหดหูล่ลงมาเห็นเห็นใจหดหู่นะแต่ว่าก็ อันนี้ไม่ทราบว่ามันมันดีหรือไม่ดีที่เห็นอย่างนั้นนะแต่แต่เขายอมรับมันนะก็เข้าใจมันด้วยอารมณ์จิตใจมันก็อะไรวอลโลกก็แหละคือมันก็ธรรมดาไอ้แคกับใจมันไม้หายเหมืนกับโอ้ตอนเราจะทิ้งโลกอย่างนั้นมาอยู่อย่างนี้เราจะอยู่ได้ไหมมันก็คือใจมันก็หายๆอหละที่เราใช้คำว่าดูใจมันไม่หาย ก็เป็นแบบเดียวกับเราแลนะ้วเมื่อก่อนเราก็เป็นเรามีทุกอย่างเป็นภูษาหัวหน้าคณะในสักวุธรภาคหนึ่งมีครอบครัวมีลูกชาลูกสาวฟ้าแฝดมีความสะดวกเครื่องอำนิยความสะดวกทุกอย่างในในบ้านในที่ทํางานในรถไม่ว่าจะเป็นไอ้แอร์ไม่ว่าจะอยู่แอร์นอนแอร์ทำงานห้องแอร์มีโทรทัศน์มีวิญญาณมี ค่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีรถประจำตำแหน่งบางทีบางบางตําแหน่งก็มีรถประจำตำแหน่งมีคนขับแต่ที่น่าหนึ่คือมีโน้ตบุ๊กมีประจําตําแหน่งมีมือถือมออีสารพัดเครื่องอำนวยคนสะดวกเนี่ยทุกอย่างเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรับใช้เป็นนิติกรหน้าห้องมีหน้าห้องด้วยแล้วก็อยู่บ้านก็มีคนใช้ด้วย ทุกอย่างอ่ะมั น, ม, นมันสะดวกหมดที่หลับที่นอนนุ่มอยู่แอร์สบายอาบน้ําอุ่นที่ดูเลอาบน้ําอุ่นตลอดนะอาบน้ําอุ่นตลอดอยู่แอร์มีคนใช้มีครอบครัวคอยดูแลแทบไม่เคยออกไปทานข้าวนอกบ้านเพราะว่าคนใช้ทํางานแล้วเอ๊ะทำกับข้าวอร่อยในบ้านเขาทากับข้าวอร่อก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปทานทานข้าวนอกบ้านแล้วก็ทํางานก็สะดวกรถก็สบายขับรถก็แอร์ ตั้งก็สบายอย่างรถเบนซ์คันนี้เนะี่ยก็ขับไปทํางานพอมันจะละทิ้งมาอยู่อย่างเนี้ยมาอยู่วัดป่าซึ่งไม่มีอะไรเลยจากที่เราเคยมีอธรรมดานะใจมันก็ต้องให้หายเป็นกันว่ามันจะละทิ้งอย่างนั้นมาอยู่อย่างนี้ได้หรือใจมันแค่คิดเอาเปล่าว่าอยากจะบวชอยากจะบวช แต่เอาจริงๆมันจะได้หรือมันจะได้เรืออยู่แล้ไห น, นอ๋อใช่คือมันความคิดอย่างหนึ่งแต่เราพอเจอสภาพจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอยู่อย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมประเดี๋ยวพระดาวสักก็เลยหลายพราะท่านประเดีจะอยู่คิดจะอยู่กับมันตลอดนเนี่ยแต่ก็ามาฟังธรรม ท, ที่ที่นี่ประเดียวพระดาวได้ท่านก็กลับไปท่านก็ไปไม่รู้สอย่างนี้หรแต่เด่นมีความรู้สึกบางยี่ใจให้หายต้องใสไก่คะไก่จะเป็นอย่างไรแล้ววะ เหรอเออบกเจปกิจวร้เหือเปล่าสิบแปดับ็นว่าเอ่อเหลือเจ็ปี เจ็ปีเสร็จหลังจากนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยอยาจะไปเชื่อที่จะให้มีความก้าวหน้าหรืออะไรเงี้ยต่างก็คิดอยู่แต่ว่ายังยังยังวางแผนไม่ได้ที่ที่คิดตามเปัจจัยที่คิดไ้อย่างเลยแต่เวลาเป็นจริงมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกเราก็เคยคิดอย่างเดีในวางแผนโอ้ยถ้าเราบอกว่าบวชเราจะยูดอย่างเงี้ แต่บาทีไม่ได้คิดถึงเรื่องบวชโ ด, ดยร้ราไปว่าพอได้ตัวแรกก็จะบวชจะบวชเพราะเอาก็จริงไงเอ๊ะจะบวชใจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแต่พอถึงเวลาเนี่ยมันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปตามธรรมสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเรามาบวชมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเรามันเป็นไปตามธรรมพอใจเป็นธรรมแล้วเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราเองได้จะเป็นไปตามธรรมแค่เหนือเราเนี่ยมีผู้ที่เหนือเราขึ้นไปอีกมีผู้ที่เหนือเราก็มีค่ะไม่ีดคือผู้รู้ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ผู้รู้ในใจก็คือนั่นแหละก็คือเป็นพุทธธรรมสังฆะอยู่แล้วแต่ไม่ถึงว่าผู้ที่ชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะลิขิตตัวเราเองได้เมื่อเมื่อใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีผู้ที่เหนือเราไปอีก คือเราบางทีไม่ไม่ได้พร้อมจะบวชก็ต้องถูกให้บวชมันเป็นกรรมพวกนี้ไม่รู้ว่าอะไรที่มันอันนี้มันก็นอกเหตุเนือผลคือไม่พร้อมที่จะบวชยังไม่พร้อมที่จะบวชก็ถูกบังคับไปบวชได้เหตุหลายหลาอย่างดีบขันมาเ อ, อเหตุอย่างนึงไม่พร้อมเหตุที่สองเหตุที่สามเหตุที่สี่ก็อดัอดอดัอดอัดเข้ามาที่สุดแล้วก็ต้องยอม บวชบวชเสร็จแล้วก็ออกมาแต่ตัวไม่ได้เอาอะไรมาเลยเออกมาแต่ตัวแต่อย่างว่าเนี่ยทุกอย่างการดําเนินชีวิตก็เป็นไปตามธรรมนะเดี๋ยวเขามีคู้จะสรรให้เองเนี่ยปลอใจเราไปทำอย่างเดียวอย่าไปคิดกังวลว่าเอ้เราจะต้องประจําอย่างไงไปวางแผนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนี่ยไม่ต้องล้บวชแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะไรโอ้อย่างนี้ยมันไม่ต้องเลยถึงเวลาเนี่มันเป็นไ ป, น เ, ปนเองแต่เวลาเป็นไ ป, น เ, ปนเองมี ดูสิเราไม่มีวัดเลยเนี่ยรอนเร่ไปโน่นหลังเนี่ยอยู่วัดนี้เอาเดี๋ยวก็ออกไปอีกแล้วเราอยู่ในวัดโน่ น, ดดนก็ออกไปอีกแล้วเงี้ยมันจะรอนเร่ไปจนวันนี้ไม่มีมีพระมีลูกศิษย์ตงเยอะแยะแต่วัดตัวเองยังไม่มีเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปวางแผงขนาดนาั้นหรอกเดี๋ยวถึงเวลาเป็นไปเองอะ่ะสําคัญที่ตือคือตอนเนี้ยปฏิบัติให้ใจตัวเองเป็นธรรมให้ได้แค่นั้นเองอย่าไปต้องไปคิดติดนานาคตขนาดนั้นหน้าที่การงานก็ทําไปก่อน แต่ใจเนี่ยต้องปฏิบัติให้เป็นธรรมต้องะนาบปฏิบัติแล้วที่เหลือเนี่ยมีผู้จัดการให้เราเองท่านมีเวลามาน้อยมีมาอยู่คืนเดียวพวกนี้ก็กลับแล้วแต่ตอนนี้ใจเริ่มสงบแล้วเพื่อใจสงบแล้ว ก็ดูรู้เห็นอยู่กับใจที่สงบนั่นแหละพอดูรู้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ปล่อยวางมันไปเรื่อยๆอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยของเดนเนี่ยตอนเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นในใจที่เราดูรู้เห็นแล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งเลยคือแค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านจะจับจะยึดไว้ อย่าไปลังเลสงสัยอะไรแล้วปล่อยความคิดฟุ้งซ่านใดๆคิดไปหมดสิ้นเหลือแต่รู้อยู่ภายในรู้สภาวธรรมที่เกิดทางกายทางใจอะไรที่เกิดมาให้รู้ในขณะปัจจุบันได้ว่ารู้สภาวธรรมอย่างไรรู้แล้วแค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านไม่จับไม่ยึดไม่อะไรทั้งสิ้นปล่อยรู้ผ่านอย่างเดียวปล่อยวางไปเลย มันสงบแล้วซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่เอาเข้ามาตึกเอาเข้ามาตองมาคิดวิตกอยู่ข้างในใจถ้ามันเเข้ามาตึกมาตองมาคิดวิตกอยู่ในใจก็ปล่อยผ่า semester. นไปดีเอี่ยมันเอาเข้ามาตึกอาตองมาวิตกอยู่ ใ, ใจข้างในก็ปล่อยผ่านไปดีปล่อยผ่านดี จะจะรู้ลมหายใจไม่ว่าจะรู้สภาวะอะไรทางกายทางใจรู้ว่าคิดนึกอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านเลยแค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านไม่จับไม่ยึดอะไรไว้รู้แล้วรู้ปล่อยผ่านรู้ปล่อยผ่านเรื่อยไปเรื่อยไปเลื่อยไปสภาวะทางกายสภาวะทางใจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสภาวะทำอย่างไรรู้แล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่าน แค่รับรู้รับทราบสำเร็จไปเรื่อยๆคนจะปล่อยภูมิใจนะรู้ผ่านรู้ผ่านไปเรื่อยๆรู้แล้วทําความเข้าใจทาความรู้ความเห็นทําความเข้าใจผ่านไปผ่านไปทำความรู้ทำความเห็นทำความเข้าใจผ่านไปผ่านไปอย่าทิ้งรู้ความรู้เนี่ยต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้ แค่รู้แค่เห็นแค่ทำความเข้าใจปล่อยผ่านไปแค่รู้แค่เห็นแค่ทำควาเข้าใจปล่อยผ่านไปไม่เคยเป็นมาก่อนนะนี่ครั้งแรกของเดนเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกรับร่้ถึงเวลาของตัวเองทุกครั้งมีแต่ความฟุ้งซ่าน อยู่ๆก็สงบตัวเองเฉยๆเลยโดย ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ทำยังไะ่ได้ตั้งตัวจิตรวมเข้าไปเป็นหนึ่งภายในคนทุกคนมีเวลาเปของตัวเองถ้าไม่จริงทำเรองนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่เป็นครั้งแรก ทำความก่อใจปล่อยผ่านทิ้งไปรู้เห็นทำความก่อใจปล่อยผ่านทิ้งไปรู้เห็นทำความเข้าใจปล่อยผ่านทิ้งไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่าติ้งรู้อย่าทิ้งรู้อยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้รู้อะไรเห็นอะไรแล้วก็อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อย่าตามสิ่งที่ถูกรู้ไปให้แค่รู้เห็นทำความเข้าใจปล่อยผ่านไปรู้เห็นทำความก่อใจปล่อยผ่านไป ตัวเราผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็ปล่อยผ่าไปด้วยแค่อาศัยเป็นเครื่องรู้เฉยๆตัวเราผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็ไม่จับไม่ยึดตัวเราไว้ด้วยแค่ตัวเราผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่อาศัยมาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเฉยๆไม่ยึดเลยว่าผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆเพียงแค่อาศัยว่าให้มีผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นแหละอย่าไปยึดเอาผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้คิด ผู้วิเคราะห์ผู้ตึกตรองเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานั่นแหละดีแล้แม้ในผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยก็เป็นเพียงเครื่องอาศัยและลึกรู้เช่นกันเทนั้นเองถูกต้องแล้วไปอีกไปอีกปล่อยไปอีกปล่อยทั้งสิ่งที่ถูกดูปล่อยทั้งผู้ดูผู้รู้ แต่ก็รู้อยู่างนั้นนีแต่ไม่ยึดอะไรไปเลยแค่อาศัยให้มีผู้ดูผู้รู้ไว้อาศัยให้มีสิ่งที่ถูกรู้ไว้ในสภาวะธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันให้ใจได้รับรู้แค่รับรู้และผ่านไปผ่านไปไม่ยึดทั้งอาการกิริย า, าการสภาวะธรรมที่ถูกดูและไม่ยึดทั้งผู้ดูผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัว ต, ว ต, ว ต, วตนของเราเป็นเพียงแค่ได้อศัยได้รู้กันไว้เท่านั้น ไม่ยึดอะไรไว้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานลยแต่ก็รู้ไว้รู้ไว้แล้วล่อยผ่านไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เข้าไปยึดทั้งสิ่งใี้ถูกรู้แล้วมายึดทั้งผู้รู้ awy, เป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือไปหลงไปยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้หนูผู้เห็นไม่ยิดอะไรไปเลยเป็นเพียงแค่อาศัยให้ได้รู้ได้รู้ได้รู้ไ ด, รได้ไหมทุกคนก็ทําความก็ใจตามไปได้เลยนะ<ง umin immen> ดองรับนก็นัน่งคัดสมาธิแน่ๆ น, น, นะนั่งธรรมดาธรรมดาตัา้งก็เข้าใจไปเลยตามใจในทุกคนตั้งก็เข้าใจไปให้ดูเรียบ้อยเลยแ ม, ม่จะเป็นเอาแต่คิดดิให้มัน ร, รู้รู้รู้รู้อยู่ไ้นไม่ใช่นั่งคิดไปเรื่อย แม่ให้พุทโธพุทโธพุทโธไว้ด้วยของแม่ แมวเน้บริการผุ้โทรให้ดีีเพราะว่าติดตกมากเลยนะดึงติดขึ้นมาติดตกลงไปใต้น้าต่ามากคือคนมู่ อ, กออเดียวนะถ้ทิ้งไว้จะโรคซึมเศ้าก็ชามันขึ้นมา้วบริการดีๆผูทรผูท้ทโโโแมวคติดลงไปตกไปต่ำ อาการสภาวธรรมที่ปรากฏแก่กายและใจไม่ว่าจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ให้รู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันหละในปัจจุบันจะปล่อยให้ไหลไปในอดีตจะปล่อยให้ไปเพิ่มปันไปในอนาคตให้รู้อยู่ในปัจจุบันลบปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันจะไปรู้ในอดีตจะไปกังวลกับอนาคตให้รู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ทุกกิริยาการรู้ทุกสภาวธรรม กีปรากฏทางกายทางใจให้ได้รับรู้แต่ก็แค่ได้อาศัยรู้ได้อาศัยรู้ไม่ไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้ไม่ไปยึดทั้งผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราเป็นผู้รู้เปรียบเพียบว่าได้แค่อาศัยรู้กันอยู่เรื่อยไปไม่ใช่รู้เพื่ออะไรก็ให้รู้เพื่อละเพื่อปล่อยเ พ, อเพื่อวางไปทุกขณะปัจจุบันดูแลเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็วางไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปวางไปรู้ลแล้ววางเลยรู้แล้วก็วางไปได้รู้ได้เห็นอย่า ไ, ไปจับไปยึดไว้ก่อนแล้วค่อยวาง รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านแต่ทําก็เข้าใจไปด้วยแน่ๆแต่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านไม่ไปจับไว้แล้วก็ปล่อยที้ลังแค่รู้ต้องการู้ได้ไปเคลื่อนอาศัยลึกรู้ มันสร้างคือเป็นระยะก็แค่ได้รู้แค่ได้รู้ไม่ไปจับไปยึดอะไรไว้รู้แล้วมันเอาเข้ามาตึกตองอะไรข้างในก็ละไปทังอาการที่สร้างก็แค่รู้แค่รู้แค่รับรู้เราทราบไม่เข้าไปจับไปยึดไอ้ที่มันเข้ามารู้แล้วก็มาตึกมาตองมาคิดวิตกวิจาร์อยู่ข้างในก็ปล่อยวางไปอีกปล่อยวางความคิดตึกตองนั้นไอ้เหลือแต่รู้เหลือแต่รู้รู้เสร็จแล้วมันจะไปเอาเก็บเข้ามา ตึกตอนวิตกวิจารยอยู่ในใจก็ปล่อยวางผีให้เห็นให้รู้ให้เห็นให้ปล่อยไปอีกความรู้ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่าให้มันขาดว่าขาดตอนรู้สภาวะธรรมในปัจจุบันที่ปรากฏในปัจจุบันให้รับรู้รู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้ ส, สับสติสาบซ้านกายเบาใจเบา บันทีบางครั้งก็ตัวก็หายไปก็แค่รู้แค่ปล่อยผ่านปล่อยผ่านได้รวยๆไม่ไปจับไปยิดอะไรเลยจะลืมตาหรือหลับตาแลา้วก็รู้ต่อไปเรื่อยๆเพราไม่มีอะไรเที่ยงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย รู้ถึงความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, ป, นไปคืออันนี้จังไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดเที่ยงมีแต่รู้แล้วเห็นแล้วก็เปลี่ยนไป มีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้แต่ลืมตาหลับตาสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดก็มีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป แต่กิริยาการของสิ่งที่ถูกรู้มีแต่สภาวะธรรมทุกขณะปัจจุบันที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏกิริยาการของผู้รู้เลยถ้าปรากฏกิริยาการของผู้รู้ปรากฏตัวตนของผู้รู้ก็ให้ปล่อยวางไปเรื่อยไปเรื่อยไปปล่อยวางไปสันติปล่อยวางกิริยาการนันติ ปล่อยไหลไปอดีตไม่ไปกังวลกับอนาคตอยู่รู้อยู่ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันเวลาละมันจะยิ่งเบามากเบามากสว่างมากแต่ก็แค่ให้ได้รู้เฉยพระไม่เที่ยงไม่แต่เบาสงบสว่างก็ไม่เที่ยงก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป อย่าไปจับไปยึดไปค้องเกี่ยวไปก่อเกี่ยวผัวพันให้แค่รู้แค่รู้แค่รู้รู้สักแต่วรู้ ปล่อยผู้ตึกข้างในใรู้รู้พุทธิตึกตรองข้างในอย่าไปจับตรงอาการที่ถูกรู้ภายในเลึกๆคนคิดตึกตรองอยู่คิดติกตรองวิโตวิจารเดี๋ยวให้ไปลวางความคิดนั้นให้รู้ให้เห็นแล้วก็ปล่อยวางไปวางในความคิดตึตรอง น, นั้นไม่จะปไปไล่ไล่ดูตรงอาการที่ถูกรู้ไงให้รู้จิตที่ไหวไหวคือความคิดติกตรองอยู่ภายในลึกๆนะ จะไปไล่ไล่ดูแต่อาการที่ถูกรู้ น, นี่ไม่ได้เพื่อจะมาเอาอะไรเพื่อจะมาปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะให้ได้อะไรกลับไปมาเพื่อปล่อยวางทุกอย่างปล่อยละวางทุกอย่างจากใจ ไม่ใช่ว่ามาเพื่อทําจะเอาอะไรกันไปเพราะไม่มีอะไรเลยที่จะเอาไปได้บุญเราก็ไม่ปรารถนาที่จะไปด้วย บาปเราก็ยิ่งไม่ปรารถนาที่เอาติดไปด้วยไม่เอาไปทั้งบุญและบาปด้วยปล่อยวางไปหมดในปัจจุบันไม่คิดจะเอาไปใช้อะไรในชาติชาติต่อๆไปไม่มีอะไรเลยจะเอาไปได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งราบยศตมบัติประฐานครอบครัว แม้แต่ร่างกายของตัวเองแม้แต่ความรู้สึกและคิดตึกตองที่กําลังคิดนึกตึกตองอยู่แม้แต่ผู้รู้ที่ท่านพยายามไปดูไปรู้ไปเห็นนั่นนหะที่จุดก็ต้องดับลงไปหมดต้องทอดทิ้งไปหมดเอาไปไม่ได้ทั้งหมดเลยเอาอะไรไปไม่ได้พอผู้รู้ที่ท่านพยายามดูรู้เห็นอยู่ในสภาวะทําในปัจจุบันที่พยายามดูรู้เห็นแล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรู้ละละปล่อยวา ง, วางละละเนี่ยมันจําเป็นกิริยาการจิตที่รวงแต่งอยู่ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องดับไปหมดทั้งสิ้นไม่เหลืออะไรเลยมาเพื่อปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้เอาอะไรเลยไม่มาเพื่อให้เราไปเป็นอะไรหรือมาให้ได้อะไรกลับบ้านไปแม้แต่ตัวผู้ดูผู้พยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นพยายามละปล่อยวางไอ้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องดับไปเหมือนกัน มันเป็นผู้รู้จอมปลอมอยู่เป็นผู้รู้ตัวปลอมมันเป็นความปรุงแต่งเอาขันห้ามาปรุงแต่งรู้ไล่รู้กิริยาการภายในถ้าเรามาไม่คิดจะเอาอะไรไปเลยสักอย่างเดียวแม้แต่บุญก็ไม่คิดจะเอาไปบาปก็ไม่คิดจะเอาไปใช้อะไรในชาติต่อๆไปเพราะนั้นจึงไม่มีใครที่จะได้อะไรไปแม้ตัวเราเราก็ไม่เอาไป จึงไม่มีผู้ที่จะเอาอะไรไปเลยหมดสิ้นไม่ผู้จะเอาอะไรไปอันแน่จิตจะกลับคืนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนอะไรเลยเพราะความรู้สึกเป็นตัวตนก็ถูกปล่อยวางไปหมดทิ้นแล้วในปัจจุบัน ตัวเราจะต้องได้ต้องเอาต้องมเป็นอะไรจึงไม่มีตัวเราพยายามที่จะให้ตัวเราเป็นอะไรทุกอย่างทุกขณะปัจจุบันก็ถูกปล่อยวางไปหมดสิ นไม่มีส่วนเหลือดับความปรารถนาใดๆเสียทั้งหมดแม่แต่ความปรารถนาพันิพาันที่เป็นความสุขอันสูงสุดก็ดับความปรารถนาดิ้นรลนทยานอยากนั้นเสียสิิงเรียกว่า สนิทไม่มีส่วนเหลือยึ่งไม่มีผู้ที่เอาอะไรเลยดับก็คือดับผู้เอาผู้จะเอาดับผู้ที่จะไปเอาอะไรผู้จะไปเป็นอะไรผู้จะได้อะไรผู้จะไปถึงอะไรดับผู้จะเอานี้จะไม่มีส่วนเหลือเลย ดับความปรารถนาทั้งหมดสิ้นแล้วคงมีแต่กิริยาการของขันห้าเขาก็แสดงกิริยาการของเขาคือมีความรู้สึกตระหนักติดต่อของเขาตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่มีตัวเราเลยไม่มีตัวเราปรากฏการเคลื่อนไหวได้ใดตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราเข้าไป ม, มีตัวได้เสียอะไรอย่างสิ้นมีแต่กิริยาการของกันห้า น, นั้นเองแต่ตัวเราเนี่ยไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวมันปรากฏอะไรไม่ไ มีการดินน้นรนเล่าล้อนกระวลกระวายใจดับความเล่าร้อนถอนความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกเสียหมดสินดับความเล่าร้อนดับความกระวลกระวายใจ ความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกเสียหมดสิ้นในตั้งแต่ปัจจุบันนี้เี๋ยวแต่ความสงบลมเย็นใจเลยมีแต่ความว่างเปล่า ว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาว่างเปล่าจากความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆ ไม่พยายามไปทําอะไรให้มันสงบเลยเพียงแต่ใจปล่อยวางทุกอย่างแค่นั้นเองความทุกข์ความเดือดร้อนความเลาร้อนความกระวนกระวายใจ ใ, ใดๆทั้งหมดก็จะดับลงไปเองไม่ใช่เราต้องพยายามไปทําให้มันสงบเลยความไม่สงบก็กิกฤตตัณหานี่ไงก็ความเพ้อฝันไปในอนาคต ความปล่อยให้ไหลไปในอดีตความเกาะเกี่ยวผัวพันในสิ่งใดในปัจจุบันทั้งในไม่ไหลไปในอดีตทั้งไม่ไปเพื่อฝันไม่กังวลไปกับอนาคตในปัจจุบันใจไม่เกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดทุกอย่างมันก็สงบแต่ว่างเปล่าเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราต้องไปพยายามทําทให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่าง เพียงเราแค่วางจากอดีตวางจากอนาคตวางจากการเกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดทั้งหมดในปัจจุบัน จะไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆคงมีแต่กิริยาการของจิตหรือขันห้าเขาเคลื่อนไหวมีแต่ความคิดความนึกความตึกความตองไหวๆไหวๆในใจแต่เราไม่ปลไม่จะไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งหมดสิมีแต่เห็นจิตที่ไหวๆไหว ๆ, ๆอยู่อย่างนั้นแหละ แต่ไม่ปรากฏว่ามีเราเคลื่อนไหวใดๆเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีความคิดความนึกความตึกความตองในทุกขณะปัจจุบันนั่นแหละคือกิริยาการของกิตทไหวๆไหวๆ ไ, ไ, ไม่มีตัวเราหรือไม่มีตัวใจไม่ปรากฏว่ามีกิริยาการของผู้รู้ เห็นมีแต่จิตไวไว้ไวแต่ไม่มีสิ่งใดไปรองรับไม่มีตัวเราไปรองรับไปยึดถือสิ่งที่ไวหวนั้น อยางที่เขาเป็นทุกสภาวะทุกกิริยาการในปัจจุบันลูบซื่อซื่อไม่มีกิริยาการของโพลูลหรอกลูบซื่อซมีแต่ทุกกิริยาการทุกสภาวะในปัจจุบันไม่มีใครเข้าไปยึดตันถือม่กไม่มีใครเข้าไปรองซับมีแต่กิริยาการของจิตที่ไหวไไว ไ, วไวแต่ตัวเราไม่มี แล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรในทุกสภาวะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านไม่รู้จับรู้จับไม่รู้จับไม่รู้ยึดไม่รู้แล้วก็ไปจับไปยึดแค่เพียงแค่ศพแต่ว่ารู้ผ่านรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปรู้แล้วเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วเห็นแล้วก็วางไปรู้แล้วเห็นแล้วก็วางไปเลยไปอย่างเงี้ยทุขณะปัจจุบัน ไม่ปล่อยเพอคิดไปในอนาคตไม่ปล่อยให้เพ อ, ค, นะ ค, อ, เอคิดปรงแต่งฝุ่งสรานกังวลไปในอดีตหรืออนาคตรู้อยู่ปัจจุบันเห็นอยู่ปัจจุบันทุกสภาวะทุกเิลียาการในปัจจุบันแต่แค่อาศัยได้รู้ได้เห็นและปล่อยผ่านไปผ่อนผันไ ป, ไ, ป, ไ, ปไม่ยึดทั้งอาการที่ถูกรู้ไม่ยึดทั้งผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่ได้อาศัยแค่ให้รู้กันไวนะ้นั่นเอง ให้ได้รู้ได้เห็นทุกขี่ยาอาการทุกสภาวะในปัจจุบันรู้ในปัจจุบั น, ร, จจนรู้และผ่านไปรู้และผ่านไปรู้และผ่านไปไม่ยึดไม่จับสภาวะธรรมหรือขริยาการใจไปเลยอนผู้รู้นั้น ก, ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารปรุงแตง่งผู้ดูผู้รู้นั่นแน่มันยังเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่ให้วางไปด้วยอย่าไปจับไปยึดผู้รู้นั้น สังเกตให้ดีๆเจ้แม่ผู้รู้เนี่ยมันรู้อะไรแล้วมันจะเอามาคิดติดตองไว้ในใจนั่นแหละใจผู้รู้เนี่ยมันคิดอะไรแล้วมันก็มาคิดมันก็จะเอามาคิดติดตองไว้ในใจนั่นแหละผู้รู้ที่มันรู้แล้วมันมรู้แล้วก็คิดจับไออาการที่ถูกรู้มาคิดติดตองไว้ข้างในใจน่ะอันนั้นเน่ยเป็นสังการปรุงแต่งให้ปล่อยวางทิ้งไปปล่อยวางผู้รู้ที่คิดติดตองได้นั่นแหละปล่อยวางไปทั้งผู้รู้และผู้คิดติดตอง รู้อะไรมันจะกลมาคิดติตองรู้อะไรแล้ว ม, มาคิดติดตองจะไปดูแต่อาการที่ถูกรู้ให้ดูตรงผู้รู้นั่นแหละที่มันผู้รู้รู้อาการใดๆมันจะคิดติดตองตลอดเวลา สภาวะทุกขิริยาการที่เกิดขึ้นในใจไม่มีใครเข้าไปจับไปยึดเลยเพียงแค่อาศัยเป็นเพียงแค่เครื่องระลึกรู้ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันที่มีสภาวะทาให้กิริยาการของจิตที่ปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นในปัจจุบันเพียงแค่เป็นเครื่องอาศัยให้ได้เลือกลึกรู้ได้เห็นไม่มีผู้เข้าไปจับไปยึดเรียกว่าหูสื่อสืรู้สื่อสื่ อ, อรู้อย่างที่เขาเป็นตรงไปตรงมา ไม่เผอเอาตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองเลยแต่ได้รู้แต่ว่าตัวเราคิดนึกตึกตองตลอดเวลาแต่ไม่เผลอที่จะเอาตัวเราไปคิดนึกตึกตองเลยแต่รู้เห็นตัวเราคิดนึกตึกตองตลอดเวลามันต่างกันฟ้ากับดินนะระหว่างที่เอาตัวเราไปคิดนึกตึกตองกับเห็นตัวเราเนี่ยคิดนึกตึกตองตลอดเวลาเห็นก็ไม่ได้เห็นเพื่ออะไรหรอกเอแค่สับแต่ว่าเห็นกับแต่วรู้สับแต่วเห็น ทุกขณะที่ปัจจุบันที่เขาจะคิดติดต่อในปัจจุบันไม่มีใครเข้าไปแจกแจงไม่มีใครพยายามไปดับไล่ดับความคิดอะไรเดี๋ยวจะแค่รู้สักแต่ละรู้ตามก็าเป็นจริงทุกคิดตัวอาการในปัจจุบันโดยไม่มี เ, าเราเผอไปเป็นผู้คิดเองเลยเพีนแต่เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เร็นสักแต่ละรู้ โตมนัสสิการเนะให้มีความรู้สึกไว้ในใจโดยแยบขายอย่าต่อเนื่องในขาดสายตลอดเวลาว่าผู้ที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตองที่มีความรู้สึกเนีไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจะเผลอเอาตัวเรา่ะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองหรือจะเผลอประยิตว่าผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา เป็นคนนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเผอเอาตัวเราไปคิดเองหเห็นว่าทุกตัวผู้คิดพูดนึกพูดตื้ผู้ต่อ น, นั้นนะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เราเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งเป็นผู้ที่ไม่คิดไม่รึกไม่ตึกไม่ตอไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหมดเป็นภาพที่ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารธาตุเป็นภาพที่ไม่ปรุงแต่ง ละคนใครจะพูดอะไรจะพาว่าทํที่เกิดขึ้นปรากฏวรู้เห็นยังไงสงสัยยังไงให้มันชัดเจนสักให้สิ้นสงสัยจริงๆอย่าให้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ได้เหลือความสงสัยกลับบ้านอเอาไหมเด่นจะพูดอะไรก่อนไหมเป็นยังไงบ้างเราแล้วก็